เป็นศีลและเริมรักษาศีลและเท่นั้นเนี่ยแหละเป็นศีลมาตั้งแต่ที่เราตั้งจิตจัดสัจจะเรียกว่าตั้งอธิษฐานนะเจตนาหังพิเกเขเวกรรมมังวดามิเจตนาเป็นหลักท่านมาเจตนาเป็นหลักให้พวกเรารักษาศีลเพราะนั้นการใช้ธรรมสานศีลถึงจะไม่ได้มาวัดของหลวงพ่อรักษาศีลถ้ามีความจำเป็น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 ในสมาทานศีลห้าเป็นพื้นฐานเพราะศีลห้าเนะี่ยเป็นศีลของคณะทศาท ญ, ญาติโยมเป็นศีลอุบาสกอุบาสิ ก, กาเป็นศีลพื้นฐานในหลักธรรมคำสอนของพระพุทธเจ้าท่านตรัสไว้ว่าถ้าผู้ใดมีศีลห้าและปิดอบายภูมิไม่ตกนรกไม่เกิดเป็นสัตติรฉานไปตก ไ, ปไม่ตกไปในทางที่ชั่วนะพูดง่ายๆ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 จะพูดเรื่องศินแนะนําคุณค่าของศินประโยชน์ของสินบุญกุศลที่ได้รับจากการรักษาสินมีอะไรอย่างไรอย่างเมื่อล ง, ลงอุโบสถเสร็จหลวงพ่อจะพูดแนะนําเรื่องศินสองร้ี่สิบของพระสงฆ์แต่ตอนเช้าอย่างนี้หลวงพ่อจะแนะนําเรื่องสินห้าสำหรับคำนัดัทธาญาติโยมผู้ที่ มีสมาทานสินห้านะเป็นยังไงคุณค่าของสินพระพุทธเจ้าท่านตรัสไว้ในม้วนสินห้านะว่าสีเลนะสุขติงยันติสีเลนะโพคสัมปธาสีเลนะนิพุติงยันติให้เข้าสีเลนะสุขติงยันติ ผู้จะไปสู่สุกติได้เพราะศินสีเลนโพก็สัมปทาผู้จะมีโพคะสมบัติได้ก็อเ น, น ส, ส่งแห่งศินสีเลนนิพุติงยันติผู้จะไปสู่นิพพานได้ก็ด้วยอ น, นิส่งสินเพราะนั้นสินพวกเราอย่าไปมองข้ามศินห้าของพระพุทธเจ้าเป็นสินคุ้งของโลกทําให้โลก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 ในอนาคตนะเพราะฉะนั้นศิลป์ในปัจจุบันเนี่ยกุ้มคล้องพอไปในตายไปแล้วศิลก็ยังคุ้มคลองไปตกไ ป, ไปในที่ชั่วเมื่อเกิดขึ้นมาพบนาาหน้าชาติหน้าศิลนี่ก็คุ้มครองไปอีกนี่แหละศิลป์ที่พวกเราจะรักษานี่คุ้มครองไปนานเท่านานงื่อคุณงามความดีคุ้มครองไปนานเท่านานแต่ถ้าเราไม่มีศิลปนะ์ะที อยู่ในพพนี้ชาตินี้อยู่ในปัจจุบันนี้ก็เถอะไปนสถานที่ใดไอ้นี้แหละเป็นคนขโมยผู้หญิงคนนี้แหละเป็นคนขโมยใครใครก็หวาดระแวงกันไปหมดต่อใบกันนี่แหละคนนี้ไม่น่าไว้ใจนะมันมีอาวุธนะมันจะฆ่าใครก็ไม่รู้นะเป็นยังไงในชุมชนสังคมของพวกเราเราก็ต้องระวัดระแวงกันเพราะนั้นศีลห้าของพระพุทธเจ้าถ้า พวกเราได้ศึกษาดีแล้วศีลห้าของพระพุทธเจ้ามีคุณค่ามีประโยชน์ต่อโลกให้ความร่มเย็นเป็นสุขจริงๆริงเพราะนั้นที่จะรักษาศีลห้านั้นเนี่ยเจ้ะศีลธรรมเจริยธรรมคุณธรรมในจิตใจนั้นจะใครอยให้ใครเป็นผู้รักษาต้องแต่นับหนึ่งจากข้าพเจ้านับถึงจากพวกเราท่านทั้งหลายนี่แหละพวกนั่งฟังอยู่นี่แหละ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 ไม่มีไม่เข้าในศีลและธรรมจริยธรรมที่ดีอันนั้นเราก็ต้องมองอีกเหมือนกันนะเอออย่างที่หลวงตาท่านเคยพูดหลงตามหาบวชท่านเคยพูดถ้าเขาท้าว่าใครก็ตามแสดงความซื่อสัตย์สุดจริตกับเราเราก็ต้องแสดงความสุดจริตเออเราจะไปใช้เล่ห์เหลี่ยมกับเขาไม่ได้เราไปเอาเปรียบเขามันไม่ถูกแต่ถ้าว่าผู้ใดก็ตามมาใช้เล่ห์เหลี่ยมชันเชิงกับเรา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 อย่ามาเอาเปรียบทำอย่าไปหาเสียเปรียบกิเลสมากก็ไม่ได้แต่ตามไม่จริงบางสิ่งบางอย่างทำก็ต้องยอมการเสียเปรียบคนนั่นแหละคือเมตตาอย่างนั้นทางบางสิ่งบางบางครั้งก็ยอมเหมือนกันนะคือว่าถ้าไม่ยอมเสียเปรียบจะเลยเหมือนกับเราขาดเมตตาเพราะฉะนั้นบางสิ่งบางอย่างเราก็ต้องยอมการเสียเปรียบคนนั่นแหละคือเมตตา